จักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียงสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งทุกพลภาพเพราะชราทายอุจจาระแล้วลุกขึ้นล้มลงภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันก้านดินที่ถมสามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก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 ภายนอกทำให้มีสีขาวให้มีสีดำให้มีสีอย่างไม้เขียนลวดลายพวงดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกบริเวณลื่นภิกษุทั้งหลาย